ชาภูเขาทองการละครั้งหนึ่งเคยมีพ่อค้าที่ร่ำรวยเขาเอาสมบัติของเขาทั้งหมดขนขึ้นเรือไปอีกดินแดนเพื่อที่จะสร้างสมบัติมากขึ้นแต่ระหว่างทางสมบัติได้จมน้ําไปทําให้เขาจนเหลือเพียงแค่ลูกชายของเขาและพี่ดินเพียงผืนเดียวเย็นวันหนึ่งเขาไปที่ดินของเขาเพื่อไปนอนพัก เมื่อเขาได้เจอกับคนแค้ตัวดำชื่อแมนมิคินเพื่อนทำไมนายถึงเศร้านักอะไรที่ทำไมนายฝังใจหรือท่านเสียความมั่งคั่งของตัวเองไปและก็เป็นห่วงลูกชายตัวเองขอมาสิแล้วฉันจะให้นายและนายจะต้องให้สิ่งแรกที่ก่อนนายกับฉันตอนให้กลับบ้านหลังจากส2บสองปีโอเคไหม <c oughs> ได้เลย เมื่อเขากลับบ้านอย่างมีความสุขลูกชายของเขามากอดขาเขาจากด้านหลังเขารู้ว่าได้ทำสิ่งที่พลาดไปซะแล้ว <c oughs> เขาเริ่มกลัวทันที <c oughs> เขาไปที่ห้องใต้หลังคาและตรวจสอบเงินของเขาและพบว่ามันยังว่างเปล่าอยู่ <c oughs> เขาโล่งใจเพราะว่าเงินยังไม่มาแต่เมื่อเงินมาเขาจะปฏิเสธมันถึงอย่างนั้นไม่กี่วันต่อมา <c oughs> เขากลับพบว่าในกล่องนั้นเต็มไปด้วยทอง เขารวยกว่าที่เขาเคยเป็นหลังจากนั้น12ปีเมื่อวันครบรอบมาถึงวันที่เขาต้องมอบลูกชายของเขาให้กับคนแครลูกพ่อพ่อมีเรื่องร้ายๆที่พ่อทำไว้จะบอกลูกนะพ่อครับไม่ต้องห่วงหรอกครับไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นกับราหรอ้องเคนก่อนนั้นนางฟ้าวิเศษมาหาห้เซลล์ลูกชายของเขานางฟ้าคนนั้นบอกเขาเรื่องโชคดีที่เขากาลังจะได้ และเขาต้องทำอะไรถึงจะได้มันมาเมื่อรู้แบบนั้นเขาจึงพาพ่อของเขาไปที่ที่เดียวกับที่พ่อของเขาเจอกับคนแคระเขาให้พ่อของเขานั่งลงและวาดวงกลมรอบตัวเขาคนแคระปรากฏตัวขึ้นและทวงสิ่งที่พ่อค้าติดค้างเอาไว้มีเวทมนต์วิเศษหยุดไม่ให้คนแคระเข้าไปในวงนั้นเจ้าพ่อค้าเ้าเอาสิ่งที่ฉันขอไว้มาแล้วเอาละ เอาเขามาให้ฉันเลยขอโทษทีนะเพื่อนเขาเป็นลูกทายของฉันท่านให้กํานายไม่ได้หรอกก็นสัญญากับฉันแล้วเพื่อนท่านายไม่ว่าอะไรฉันมีทางออกให้เรานะพวกเขาตกลงกันได้พวกเขาตกลงให้ไฮเซลไปนั่งบนเรือและให้พ่อของเขาผลักเรือออกไปส่งออกไปที่ทะเล เพื่อให้ทะเลเป็นผู้ตัดสินชะตาของเรือและตัดสินชะตาของไฮเซลหลังจากล่องเรือไปสักพักเรือก็ไปติดกับกระแสน้าเชี่ยวและพลิกลง<อ>พ่อค้ารู้สึกเศร้าที่เสียลูกชายไปคนแคร์สะใจที่ได้หลางแขนทั้งสองคนหันหลังแล้วแยกทางจากกันถึงอย่างนั้น ไฮเซลก็รอดมาได้เขากเกาะเรือและปล่อยให้เรือลอยต่อไปไม่กี่วันหลังจากนั้นเขาไปถึงที่ชายฝั่งแปลกๆที่มีวังใหญ่มากๆและภูเขาเป็นสีทองไฮเซลเข้าวังไปและพบว่าที่นั่นไม่มีอะไรเลยความสุขของเขากลายเป็นความสิ้นหวังในขณะที่เขาค้นหาสักคนในทุกๆห้องเขาก็ได้เจอกับงูขาวและเขากลัวเหมือนมาก สวัสดีนักเดินทางฉันคือเธอหญิงนูอาดาฉันติดอยู่ในคำสาบนี้ซึ่งมันจะคลายได้ก็ต่อเมื่อได้รับความทรมานจากชาย1ิคนที่มาที่นี่ตอนมืดเจ้าจะต้องทรมานอยู่3าคืนและคำสาบของข้าถึงจะคลายลงข้าจะกลับไปเป็นมนุษย์อีกครั้งและข้าจะคืนสถานะของเจ้าให้เจ้ามีความสุขและแต่งงานกับเจ้า oh. เราจะมีประชาชนคนรับใช้ เราจะเป็นราชาและราชินีแห่งภูเขาทองไฮเซลยอมรับเขายอมโดนผู้ชายทั้งร้ายเขามนก็คลายออกเจ้าหญิงกลับมาคืนร่างอีกครั้งนางชุบชีวิตไฮเซลเขาฟื้นคืนชีพและทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกันเขามีทายาทที่น่ารักคนหนึ่งเมื่อเจ็ดปีผ่านไปไฮเซลคิดถึงพ่อของเขาและอยากเจอพ่อของเขามากเขาบอกราชินีว่าเขาต้องการอะไร ซึ่งราชินีโศกเศร้ามากถ้าเขาจากไปถึงอย่างนั้นไฮเซลก็พยายามขอเธอจนเธอต้องใจอ่อนเธอเลยให้แหวนแห่งพรกับเขาและสร้างเงื่อนไขเอาไว้เจ้าจะขอให้ข้ากับลูกชายของข้าไปอยู่ที่บ้านของเจ้าไม่ได้นะไฮเซลยอมรับเขาหลับตาและขอให้ตัวเองไปอยู่ในเมืองที่พ่อเขาอยู่เมื่อลืมตาขึ้นเขาก็ได้กลับไปที่เมืองที่เขาเคยอยู่ ไฮเซลเข้าเมืองไม่ได้เพราะเสื้อผ้าของเขาเขาตกลงกับคนเลี้ยงแกะและเมื่อไปถึงบ้านพ่อของเขาเขาก็ได้พบเจอพ่อและได้บอกกับเขาว่าพ่อนี่ข้าเองไฮเซลไงโอ้ลูกชายฉันตายไปหลายปีแล้วนี่ฉันเห็นเขาตายไปกับตาพ่อดูปานของข้าสิก็คือลูกชายท่านและข้ากลายเป็นราชาของดินแดนที่ห่างไกลข้ามีราชนี และลูกชายแล้วด้วยโอ้จะเป็นลูกชายข้าเหรอถ้าเจ้าไม่ใช่ราชาเจ้าเป็นคนเลี้ยงแก่นี่และครอบครัวของเจ้าอยู่ที่ไหนแล้วราชนีมาถึงและไม่พอใจเป็นอย่างมากเธอโกรธ ด, ด้วยเธอพยายามที่จะสงบเข้าไว้ห้เซลพาเธอไปที่ชายฝั่งที่เข้าออกเดินทางพวกเขาตัดสินใจที่จะพักผ่อน เมื่อเขานอนบนตักราชินีเธอเอาแหวนของเธอกลับกลืนมาและกลับวางไปกับลูกของเธอไฮเซลตื่นขึ้นมาและรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขารู้สึกว่าเขากลับไปหาพ่อไม่ได้พ่อเขาไม่มีทางเชื่อแน่นอนเขาจึงตัดสินใจกลับไปหาครอบครัวของเขาที่ดินแดนอันห่างไกลมียักษ์อยู่สามตัวที่กำลังต่อสู้กันเพื่อมอรรกมีของอยู่สามชิ้นภาคลุมที่ทาให้ล่งหน รองเท้าที่จะทำให้เดินทางไปที่ไหนก็ได้และดาบที่ถ้าออกคำสั่งตัดหัวเมื่อไหร่มันจะฆ่าทุกคน ร, บรอบๆยกเว้นตัวของผู้ที่สั่งไฮเซลไปถึงที่นั่นหลังจากที่เขาเดินทางหลายวันและเขาก็ได้เข้าร่วมและยอมที่จะจัดการโตวาที เขาหลอกยักษ์ว่าเขาจะต้องใส่สิ่งของพวกนั้นเพื่อตัดสินใจว่าใครจะชนะและใส่ทีละชิ้นทีละชิ้นและเขาก็ได้หายไปเขาไปถึงชายฝั่งภูเขาทองและได้เห็นว่าที่นั่นจัดการเฉลิมฉลองขึ้นเขาใช้ผ้าคลุมของเขาและแอบเข้าไปในวังและเห็นว่าราชีนีของเขาแต่งงานกับชายอื่นแล้วเขาโกรธมากเขาล่องหนซ่อนตัวอยู่ในนั้นและเดินไปจะถึงห้องกินข้าว ตอนนั้นกําลังเกิดงานเลี้ยงเขาตัดสินใจสั่งสอนราชินีเขาเอาจใจอาหารของราชินีและเครื่องดื่มขยับหนีทุกครั้งที่เธอพยายามจะกินมันราชินีรู้สึกแย่มากและเริ่มหัวเสียขึ้นเรื่อยๆทะลุกขึ้นและเดินไปที่ห้องนอนของเธอร้องไห้และคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นให้เซลไปถึงที่นั่นและถอดผ้าคลุมของเขาออกราชินีตกใจแต่ก็โล่งใจที่เห็นเขาเช่นกัน แต่ถึงอย่างนั้นไฮเซลก็โมโหมากเขาตะโกนด่าเธอและคว้างปาของทาให้เธอร้องไห้ <c oughs> ด้วยความโกรธ <c oughs> เขาไปที่ห้องโถงและตะโกนว่าประชาชนของข้าภายใต้ภูเขาทองข้ากลับมาแล้วและการแต่งงานนี้ถูกยกเลิกถึงอย่างนั้น <c oughs> เขาก็เจอกับความดูหมิ่นและเสียงหัวเราะจากเหล่าแข่ชนชั้นสูงและเหล่าประชาชนเ <c oughs> ขาโกรธมาก <c oughs> ขาเขาอาดบขึ้นมาและตะโกนว่า ตัดหัวให้หมดยกเวนหัวข้าดาววิเศษทำงานได้จริงประชาชนทุกคนรวมไปถึงลูกชายและภรรยาที่รักของเขาได้ตายไปด้วยเขารู้ตัวว่าตัวเองทำอะไรลงไปเขารู้ว่าไม่มีความโลภและความโกรธไหนจะคุ้มค่ากับการเสี่ยงด้วยครอบครัวเขาร้องไห้กลับไปนั่งบนบันลังในฐานะราชาผู้เหงาหงอยแห่งภูเขาทองจบบริบูรณ์